บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องอนุสติคือพุท ธ, ธานุสติการตั้งสติตามระลึกถึงคุณของรพระพุทธเจ้าเพื่อเกิดผลเป็นความสงบ เป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้ดีตลอดถึงเป็นความดับในที่สุดการจเจริญแนวอนุสตินั้นเป็นธรรมะประเภทที่เรียกว่าภาวนามีหน้าที่ในการเพิ่มพูนส่วนแห่งความดีขึ้นภายในจิตไม่ต้องไปสนใจใส่ใจเรื่องความชั่วซึ่งตรงกันข้ามกับความดีเหล่านั้น พ ต, ตัวความดีที่เพิ่มพูนขึ้นนั้นเองจะทำหน้าที่ขจัดตัวความชั่วซึ่งทรงกันข้ามกับตนออกไปใจของบุคคลก็จะมีความสงบมีความรอบรู้สูงขึ้นไปโดยดำดับอนุสติที่นำมาใช้ในการระลึกรู้นั้นโดยหลักปฏิบัติทั่วๆไปเรามากักจะใช้กัน 3-4 สวิธีด้วยกัน ท, ทีแรกก็คือการนำมาสาธยายได้แก่สวนสรรเสริญพระพุทธคุณโดยจิตใจรวมอยู่ที่ที่พระพุทธคุณปัญญาก็พิจารณาในบทของพระพุทธคุณเหล่านั้นต้องยัต้องอาศัยส่วนของปริยัติคือการศึกษาเรียนรู้ความหมายคำแปลของพระพุทธคุณแต่ละบทอยู่ด้วยประการต่อไปก็คือนําบท อุตตคุณบทใดบทหนึ่งมาเป็นบทกำหนดบริกรรมคือระลึกจังการภาวนาวัพุทโธการภาวนาวปะกวาการภาวนาวอาะอราหังหรือแม้จะเอาบทอื่นๆเพื่อจิตสงบอยู่ที่บทของภาวนาแต่ตอนแรกเป็นเรื่องอาการของสมถะคือทําใจให้สงบ ใจนั้นตามปกติแล้วจะระลึกอารมณ์ได้อย่างเดียวในขณะเดียวแต่พอดีขณะมันเร็วเหลือเกินในวินาทีเดียวมันก็มีมรรู้สักเท่าไรขณะเราจอาจจะมองเห็นคล้ายๆกับจิตระ ล, ลึกได้หลายอย่างแต่ที่จริงแล้วเป็นการระลึกได้ในเวลารวดเร็วแต่ว่าคนละขณะกัน ซึงขณะเหล่านี้เบนสังเกตว่าคล้ายๆกับเราจับน้ําแข็งกับความเย็นที่จริงคนละขณะกันคือต้องจับก่อนแล้วก็เกิดเย็นขึ้นแต่เพียงว่าขณะมันเร็วมากเราเลยแยกไม่ออกกับคนละขณะกันโดยแม้แต่เปิดสวิตไฟกระแสงสว่างเกิดขึ้นที่จริงคนละขณะกันเปิดสวิตไฟแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปขณะยาวๆมันก็มีอยู่สามขณะ แต่ขนาดสั้นๆในแต่ละกรณีมันยังมีอีกมากเลยเกิดเพราะเมื่อใจไเราลึกอยู่ที่บทพระพุทธคุณสติเราลึกรู้อยู่ที่ตัวพระพุทธคุณใจก็สงบตั้งมั่นอยู่กับพุทธคุณที่เราเรียกว่าสมาธิก็เป็นฐานที่จะให้เกิดความสมาธิสูงขึ้น แล้วก็มีปัญญาผุดขึ้นพินิจพิจารณาสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงในโอกาสต่อไปประการที่สามนั้นคือนำมาคิดลักษณะของการคิดนั้นปึงสังเกตว่ามันจะมีอาการของธรรมะต่างๆอีกเป็นนันมากโดยเฉพาะธรรมะหลักก็คือตัวความรู้ในบทพระพทุททธคุณ ต้องผ่านการศึกษาการจำการท่องการคิดเก็บสะสมไว้ภายในจิตใครสามารถคิดในยะของพระพุทธคุณได้มากก็แสดงเห็นถึงพื้นฐานทางความรู้และการคิดของบุคคลเหล่านั้นมีความแหลมคบมากยิ่งขึ้นสติเป็นตัวระลึกรู้ในการคิด แต่ละกรณีและะ้ต้องใช้ความเพี่ยนพยายามทั้งก่อนนั้นขณะนั้นและจะต้องเป็นความพยายามที่ต่อเนื่องบางครั้งเราคิดไปแล้วมันเกิดสะดุดสะดุดเพราะไม่รู้หรือเพ ร, รู้ไม่จริงเกิดความไม่แน่ใจเกิดความเครียดแครงสงสัย บักใจลงไปไม่ได้ก็เกิดเชงัก เ, ร, เราก็จะพะว่าคนเป็นนันมากกว่าถึงจุดนี้มันก็สูญเสียเวลาไปไม่ใช่น้อยเพราะว่าไม่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจมาเป็นอาการของนิวรนข้อที่เราเรียกว่าวิจิกิจฉาคือความเคลือแปรงสงสัยบางทีเป็นอาการที่เข้มข้นกว่านั้นคือโมหะได้เก็ความหลง บางทีก็อาจจะเข้มข้นกว่านั้นนั่นคือตัวอวิชชาคือความมืดบอดไม่รู้อะไรเลยในเรื่อง่อก น, นั้นแต่ละอย่างเป็นสนิมใจเป็นอุปสรรคของใจจะทาให้ใจเดินไม่ได้เพราะไปติดอยู่ตรงนั้นและการทำงานตรงนี้จึงเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันจึงท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นว่าเราก็มีอยู่ทุกเรื่อง จะยกตัวอย่างว่าเราเรียนวิธีปรุงอาหารแล้วก็เป็นส่วนของการศึกษาเวลาลงมือปรุงเกิดไม่ไม่แน่ใจในเครื่องเครื่องปรุงบางอย่างหรือสัดส่วนของเครื่องปรุงบางอย่างการทําเครื่องปรุงเหล่านั้นก็หยุดมันต้องกลับไปหาตัวความรู้คือไปตรวจสอบจากข้อมูลต่างๆที่เคยศึกษามาว่าตรงนี้ใช้อะไรและจํานวนเท่าไหร่ พออ่านพอเกิดความเข้าใจแล้วความเครือบแคลงสงสัยต่างๆก็หยุดสามารถทํางานตรงนั้นต่อไปได้แต่เกิดเป็นสะดุดตรงไหนอีกผก็ต้องศึกษาค้นคว้าต้องสอบถามอีกเรองการปฏิบัติทางจิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกับการทํางานที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันตัวความรู้จะเป็นตัวนำํำพอจุดใดไม่รู้จุดใดเคร่อบแคลงสงสัยจุดใดไม่แน่ใจก็หยุด เรต้องการเดินให้ได้มันก็ต้องหาความรู้มาแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้คือแก้ความไม่รู้ออกไปให้ได้และแม้แต่เรื่องเรื่องอื่นๆื่ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแม้แต่เราจะขับรถเราจะเดินไปที่ใดก็าตามทางใดเรารู้ว่าไปทางนั้นถูกต้องเราก็เดินไปได้เร่เร่พอถึงทางแยกทางเบี่ยงทางสามแพร่งสีแพร่งเกิดไม่แน่ใจ เราก็หยุดแต่บางทีเราก็ไปได้เลยไปเรื่อยๆก็แสดงว่าความรู้มันอยู่กับเราไปเรื่อยในอาการเหล่านั้นมันก็มีสติมีตัวความรู้ที่เป็นหลักเดิมมีตัวความรู้ที่ใช้ในกรณีขณะนั้นแต่ก็ต้องมีความเพียรพยายามธรรมะเหล่านี้ก็คือหลักที่พระเจ้าทรงสอนไว้ตั้งแต่ในเรื่องของ ตอน ต, น, ตนต้นของมหาสติปัฏฐานสุดหลักของโพธิปัิยธรรม7หลักของโพชฌงเจประการสมข้อแรกเป็นหลักธรรมะที่เป็นพื้นฐานพระพุทธเจ้าเองเวลารับสั่งการทำงานของพระองค์สมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ รับสั่งล่าว่าเรานั้นเมื่อเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้สรธุเป็นผู้มีความเพียรพยายามมีตนส่งไปด้วยความไม่ประมาทคำเรานี้จะเป็นคาที่สงสัยใช้ตลอดคือล่าตลอดคำว่าความไม่ประมาทนั้นก็คือมีสติอยู่ตลอด มีเจตจำนงส่งไปมีความพยายามก็คือมีความเพียรมีตนส่งไปก็คือมีปัญญาเป็นตัวส่องเหมือนกับแสงสว่างที่เราส่องนำไปข้างหน้าถ้าตรงไหนมีปัญหาคือยังมืดอยู่มันก็ทำอะไรยังไม่ได้มันก็ต้องเพิ่มแสงสว่างขึ้นมากระจายความมืดออกไปแล้วก็เดินได้ต่อไปธรรมาเหล่านี้จึงมีลักษณะเหมือนกับแม่สี ที่มันปนโดยในสีทั้งหลายสีจะ ก, กี่สีก็ช่างแต่ว่ามีแม่สีปนอยู่ตลอดธรรมะปฏิบัติโดยปริยายต่างๆที่ได้ศึกษาได้บรรยายได้แสดงมาโดยลาดับนั้นท่านสาชนจะสังเกตว่ามันก็มีสติมีความเพียดมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดหรือมีปัญญาอยู่ตลอดเมื่อเราพิจารณาไปพิจารณาไป พอถึงจุดหนึ่งมันเกิดความรู้ที่ต่อเนื่องสติระ ล, ลึกได้ต่อเนื่องเห็นความดีงามของพุทธเจา้าติดต่อเนื่องความเพียรก็เข้มข้นขึ้นลักษณะมันเหมือนอะไรเหมือนกรารวิ่งแข่งวิ่งแข่งพอใกล้จุดหมายปลายทางคั้นทั้งๆ ท, ท, ที่จริงแรงเราลดลงไปแต่ว่าความเพียรพยายามจะสูงขึ้นความมุ่งมั่นจะสูงขึ้นเราจะวิ่งเร็วขึ้น แล้วสิ่งทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างนั้นพอเห็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีคือคุณธรรมที่เคยใช่มาก่อนนั้นจะเพิ่มความเข้มข้นสูงขึ้นสติสูงขึ้นความเพียรสูงขึ้นปัญญาสูงขึ้นมุ่ง ม, มั่นสูงขึ้นอาจจะเหนื่อยอาจจะเมื่อยอาจจะละ้าแต่ก็มีความอดกลั้นอดทนเข้ามาเสริม แล้วใ น, นที่สุดก็บรรู้จุดหมายปลายทางตรงนั้นเพราะมนแ น, นวของการนำมาพินิษพิจารณานั้นที่จริงเป็นอาการของสมาธิผสมกับปัญญาเพราะเห็นตัวพระพุทธคุณมันจะเกิดปิติปราโมทขึ้นมาภายในใจใจก็รวมอยู่ที่พระพุทธคุณปิติก็มองเห็นที่พระพุทธคุณ ซึ่งเราบางทีเราก็เห็นเป็นภาพคดแต่มันเกิดขึ้นภายในใจก่อนแต่มันกระลายเป็นพลังเสริมขึ้นทั้งใจทั้งกายนานมาแล้วที่เคยเล่าถึงท่านภายทาทรุจิริยะเป็นพ่อค้าค้าขายเรือสมเภาเรือแตกเปื้อนผงตายในหมาสมุทรทั้งหมดท่านเองรอดมาได้ แต่ผาพรอไม่มีอะไรเหลือเมื่อขึ้นฟังได้แล้วไม่รู้จะเอาอะไรปกปิดร่างกายท่านเอาเปลือกไม้ใบไม้มาปกปิดร่างกายเป็นการแต่งกายที่ชาวโลกก็ตื่นเต้นตื่ น, ต, นตะลึงนรืว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์มาห้อมล้อมมาให้ความเคารพนับถือไปกระพือข่าวกันเป็นการใหญ่คนก็ตื่นพระอาหารหันต์มากันมากมายแก่กองตาเด้งว่าชักจะเคลิ้ม ครึมคตามไปด้วยแต่ในที่สุดก็ได้รับการตักเตือนจากอนาคามีพรมซึ่งในชาติอดีตเคยบวชกันมาด้วยกันไม่รู้ว่าท่านเองนั้นไม่เป็นพระหันและไม่รู้ทางของพระหรันแต่ก็มีพระหัน์จริงๆก็คือพระพุทธเจ้าให้รีบไปฟ้าพระพุทธเจ้าเวลานี้ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีซึ่งก็ไกล ภาพของพระพุทธเจา้าเกิดขึ้นภายในใจของท่านปายะตรุจิรยามันเกิดความปีติปราโมทเกิดความกระตือรือร้นที่จะได้เห็นที่จะได้ฟังที่จะได้ลิ้มธรรมะซึ่งเกิดขึ้นจากการแสดงของปร่งออกเดินจากท่าเรือที่ท่านพำนักอยู่ตั้งกลางวันกลางคืนไม่พักผ่อน มาถึงพระเจศตะ ว, วันไม่พบพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตไปแล้วสอบถามทิศทางที่เสด็จทั้งวิ่งกึ่งวิ่งกึ่งเดินมันใกล้กันไปแล้วพอไปเห็นพระพุทธเจ้าตอนใ น, นเกิดปีติปราโมทย์เต็มตื่นขึ้นภายในใจกราบถูนขอพระเจ้าทรงแสดงธรรมคือเห็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องการจะเห็นพระธรรม ต้องจานใจลิ้มชิมรถของพระธรรมพระเจ้าทรงเห็นว่าใจที่มันมีปีติเป็นใจที่ไม่พร้อมจะฟังอะไรมันลักษณะของปีติาคล้ายๆก็ดีใจสุดๆดีใจสุดขีดกิริยาการวังทียังคุมไม่ได้จะคุมจิตให้ส ง, งบฟังธรรมะมันก็ไม่ได้แต่ลักษณะ ในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าปีตินั้นเป็นจิตมันรวมมันเกิดเป็นพลังเสริมจิตทำให้จิตมันฟูขึ้นวิธีการของพระเจ้า ก, ก็คือต้องพยายามลดปีติลงมาให้อยู่ในจุดพอดีเพรปีติมากมันก็ไม่พอดีปีติน้อยมันก็ไม่พร้อมที่จะรวมคือจิตไม่พร้อมที่จะรวมกระสังชี้แจงไปเช่นนั้นท่านพายาตรุจิระ อายกำลังของธรรมะที่ต่อกันมาโดยลำดับที่ว่าแล้วคือมีสติมีสมัมผััญญามีความเพียรมีเกิดมีติขึ้นความบมดดั้นความหมดรมมดนมันสร้างภูมิปัญญาความคิดที่มองเห็นชีวิตเกิดดับเป็นขณะขณะต่อกันไปแต่ก็แสบไฟไอ้เกิดแล้วดับดับแล้วเกิดเกิ ด, ดแล้วดับดับแล้วเกิดเนี่ยมันก็ทยอยกันอย่างนี้ว่าพอเกิดปับ๊บแล้วก็ดับไม่เกิดต่อเนี่ยก็หมายความว่าตาย แล้วตรงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไรที่ไหนยอย่างไรแกใครเนี่ยไม่มีใครรู้วันนั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าขืนรอต่อไปเนี่ยท่านก็ไม่รู้พระเจ้าอาจจะนิพพานเสียก่อนก็ได้หรือท่านอาจจะตายเสียก่อนก็ได้ไม่สามารถที่จะรับรองประกันได้ก็ขอพระเจ้าทรงแสดงในขนารนั้นนั้น ท่านเห็นว่าอาการของสติอาการของสัมปชัญญะมันเกิดปรับเข้ามาอยู่ระดับเดียวกับปีติความเพียรพยายามนั้นพร้อมที่จะฟังธรรมะมันเป็นการประคองจิตพร้อมที่จะรอรับกระแสธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะสั้นๆง่ายๆแต่ก็ยากต่อการทำใจบาง โดยใจความก็คือว่าให้มีปัญญารู้เท่าทันถึงอารมณ์ที่มากระทบทางประสาทสัมผัสในขณะนั้นแล้วอย่าไปยึดมันหรือมั่นกับเรื่องเดียดนั้นไม่ปรุงคิดคิดปรุงให้เกิดความรักความชังเพราะอาการเห็นการได้ยินการได้ทราบการได้รู้เป็นต้นก็ความธรรมเทศสนาที่สันส้นๆพยะทะรุจิระได้บรรลุมกผลเป็นประหันท์ทั้งๆ ท, ที่ยังเป็นคราวาสอยู่ นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงประแสะของธรรมะที่เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตก็คือเรื่องของสติเรื่องของความเพียรเรื่องของการใช้ปัญญาพิจารณาสดสองแล้วปริมาณธรรมะเหล่านี้ต้องมีมากเพราะไรเพระท่านตอนนั้นก็ไม่ฉิบย่อยมีคนเคารพนับถือเป็นร้อยๆ้ อ, อพันพันมื่อกันสามารถจะอาศัยคนขนาดนั้น สร้างความยิ่งใหญ่ของตัวเองได้สมบูรณ์ได้ลาบยศสรรเสริญบริษัทบริวารต่างๆได้มากมายแต่ว่าความแหลมคมของปัญญาความเพิ่มปูนขึ้นของสติความเพิ่มปูนขึ้นของบารมีได้รับกาเตือนนิดเดียวแต่ว่าได้สำนึกที่ถูกต้องปรับทางที่ถูกต้อง ผนเบื้องหลังจริง ๆ, ๆอยู่ที่ปัญญาบารมีของท่านด้วยบารมีที่เก็บสะสมอบรมมาไว้ภายในจิตใจทำให้พร้อมที่จะฟังเหตุผลหรือข้อความสั้นๆด้วยจากคนนี้ทำให้ท่านผู้ฟังลองมองย้อนกลับไปที่อดีตอาจารย์ของพระสารีบุตรท่านสันใจปริพ า, ช า, าตชกข่าวกาต่างๆเรื่องเดียวกันรู้เรื่องการเกิดของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน มีการบอกกล่าวเหมือนกันภะษาริบุตรนั้นพยายามชี้แจงอธิบายเหตุผลต่าง ๆ, ๆ ม, ามากมายไกยกองซึ่งปีกระท่านภายาธรุจิยะาอนาคามีพรมไม่อธิบายเหตุผลอะไรมากแต่กลับเข้าใจได้ง่ายสัญชัยปริภายโชคนั้นอธิบายกันแทบตายไม่ได้เรื่องแล้วก็ไม่ยอมมาจนแล้วจนรอด นั้นก็แสดงให้เห็นถึงปริมาณสติสมัมปญญะความเพียรที่ไม่มีกำลังมากพอต่อการวินิจฉัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต่อกะต่อการที่จะละทิ้งลาบสกัดชื่อเสียงบริษัทบริวารความเป็นคณาจารย์เจ้าลทัทธิที่ตนมีอยู่ในขณนะนั้นมันก็ใหญ่ไม่ไม่เบาเหมือนกันเพราะนั้นปัญญามาถึงจุดนี้เราจะเห็นความแตกต่างปัญญาของบุคคลสองกลุ่ม คือกลุ่มของท่านสัญชัยปริพาชกนั้นเป็นการมองสิ่งที่ท่านมีอยู่ในขณะนั้นการเป็นเจ้าลัชชิเป็นคณาจารย์สอนลัชชิต่อคนทั้งหลายมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนในขณะนั้นที่จริงก็มี500แต่ว่าพอพระสารีบุตรออกบวชก็ตามพระสารีบุตรไปสิบครึ่งก็สรุปว่าก็เหลืออยู่250 มีชาวบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือก็เรียกว่าคนก็คงเป็นพันเหมือนกันแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วท่านก็ไปยึดติดอยู่เข้าใจว่าตรงนั้นคือเที่ยงแท้แน่นอน ย, อยั่งยืนท่านจะเป็นตลอดไปท่านจะอยู่ตลอดไปลาบยศสันเสริญความสุขจะมีอยู่แก่ท่านตลอดไปก็แสดงว่าเห็นสังขารเป็นของเที่ยงอยู่ หมายความยังไงหมายความว่าใจย่างวิปลาสคือมองไม่ตรงตรงภาพเป็นจริงอยู่ถ้าไม่หลงยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้น ท, ท, ทั้งๆที่ใน ง, ง่ายของความจริงแล้วตัวท่านเองก็ไม่รู้จะตายวันไหนสิ่งเหล่านั้นไม่รู้จะจากไปวันไหนท่านอยู่ทำกลางความไม่เชี่ยงที่เกิดตับยุทุกณะแต่ท่านไปยึดติดตรงมันเชี่ยงในที่สุดท่านก็ไม่ได้สิ่งเหล่านั้นตามที่ท่านคิดว่ามันเป็น ต่ไม่ยึดติดสิ่งไม่เชียงว่าเชียงแล้วเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของท่านตลอดไปเอาก็จริงกายของท่านอย่างไม่เป็นกายของท่านบริษัทบริวารทรัพย์สิรรนเงินทองของความก็ลบน้องถือต่างๆมันก็เป็นของท่านไปไม่ได้ปัญญาตรุจิระมันแสดงถึงเบื้องหลังคือบาร ม, มีดังดังกล่าวในขณะเดียวกันโพสติสัมปัญญาความเพียรมันมีกําลังแล้วเข้าใจสภาวะที่แท้จริง ก็จะสถานะตรงนั้นที่ตัวเป็นอยู่เนี่ยเป็นการหลอกตัวเองเป็นการหลอกคนอื่นเป็นการหลงตัวเองแล้วก็ทำให้คนอื่นหลงแต่ที่เจนจะจะเป็นบุญเป็นกุศลมันดึงคนเข้ารกเข้าพงตัวเองตาบอดแล้วก็ทำให้คนอื่นตาบอดตามไปด้วยมันบาปเยอะเลเพราะในแง่ของสังสารวัตรก็คือการกระทาที่เป็นบาป สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยความโง่หรือความเข่าของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งตัวก็ท่านเองแล้วก็ตัวของบุคคลอื่นไปตัดสินพระอาหารหันต์กันเพียงไม่ได้นุ่งผ้าท่านั่นเองที่เรียกว่าเป็นอยู่ให้โลกชงโหนโลกมันทึ่งโลกมันอัศจรรย์มนุษย์ทั้งหลายก็นุ่งผ้ากันใอ้พวกนี้ไม่นุ่งผ้าก็กลายเป็นพระอาหารหันต์และพระอรหันต์แนวนี้ที่จริงในสมัยนั้นก็มีอยู่หลายกลุ่ม เป็นการใช้ชีวิตที่แผกออกไปจากสามัญชนทั่วไปคนก็ตื่นเต้นทั้งด้านบวกด้านลบคือด้านดีคนก็ตื่นเต้นด้านไม่ดีคนก็ตื่นเต้นแต่ทั้งหมดที่จริงคือสังขารสังขารที่จะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาเพราะโดยเ็นปัญญาที่เห็นตัยลัก ค, คือความเกิดดับของสังขารที่มีอยู่ภายในใจของท่านพายาทุรุจิรยะมีกาลังมาก แม้แต่สังขารของท่านเองถ้าก็กลัวจะดับคือจะไม่ทันการเฝ้าพระพุทธเจ้าเดินเช้าเช้าก็กลัวจะตายเสก่อนคนต้องเดินกึ่งวิ่งพักก็กลัวจะตายเสก่อนเลยไม่ต้องพักมาแทนที่จะรออยู่ติประเทตวันก็กลัวว่าชีวิตจะไม่ถึงตรงนั้นคือจะตายเสก่อนก็ต้องรีบไปเฝ้าเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าให้รอท่านก็กลัวว่าท่านจะอยู่ไม่ทันก็ขอให้รีบเถิด ท่านอาจจะไม่ตายแต่พระเจ้าอาจจะนิพพานหรือว่าท่านพระพุทธเจ้าอาจจะยังอยู่แต่ท่านอาจจะตายคือสรุปว่าไม่ได้การความธรรมนั้นต้องมีทั้งสองฝ่ายคือผู้ฟังแล้วก็ผู้แส ด, แดงขาดไปท่านใดท่านหนึ่งก็อยู่ไปได้นิสดงให้เห็นปัญญาที่มองเห็นกระบวนการความเกิดดับของสังขารทั้งหลายว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับทยอยกันไปไม่ขาดสายดับเมื่อไหไร่ก็ไม่รู้ดับแล้วไม่เกิดเมื่อไหไร่ก็ไม่รู้สตินั้นเพิ่มผูนสูงขึ้น ปัญญาเพิ่มพูนสูงขึ้นความเพียรพยายามนั้นประคองจิตได้หนักแน่นมั่นคงมากพอเห็นพระเจ้าก็เกิดปิติพระเจ้าทรงให้เหตุผลต่างๆสติสัมปัญญาความเพียรก็ปรับตัวเขาเองมาเป็นปัสจธิคือกายสงบใจสงบใจมันพร้อมใจมันพร้อมที่จะฝังในที่สุดใจมันก็เป็นสมาธิ เมื่อพระเจ้าทรงสแสดงธรรมในขณะนั้นปัญญาธ ร, รมหน้าที่เพ่งพินิษฐมองเห็นความจริงว่าปัญหาที่จริงมันเกิดขึ้นจากเรารูปเสียงกลิ่นรสที่จริงมันเป็นสภาวะธรรมมันเป็นส่วนประกอบของน้ำลมไฟอากาศเรามีหรือไม่มีมันก็มีข้ามันอย่างนั้นเราเกิดมาหรือไม่เกิดมามันก็เป็นเข้ามันอย่างนั้น และการที่มันมีอิทธิพลต่อเราเพราะเราไปให้ความสําคัญแก่เขาเรามีความรู้สึกรักชังที่เรียกว่ากำหนัดขัดเครืองรุ่มหลงมัวเมาต่อสิ่งเดียดนั้นถ้าเราไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งเดียดนั้นเราก็เป็นเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็หาประโยชน์จากสิ่งเหียดนั้นแล้วก็น้องก็มาหาเราหรือหาประโยชน์จากเราแล้วก็น้องไปหาสิ่งเดียดนั้น ซึ่งเป็นแนวของการมองอย่างที่ทรงสอนไว้ในปิณะปัจเจเวก刹ะที่เราสวดกันทุกครั้งท่านท่านหลายเห็นว่าการมองมัจราตมโอมิจรังอนติโตนั้นเรามองจากเราก่อนเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่รูปพ้นจากความแก่ไปได้จิตใจก้องคนนั้งผ่อยคว้ากระสันอยากเครียดแค้นจิงชังผูกอาฆาตพยาบาทต่อคนต่อสัตว์ข้างนอกตัวเรา เพื่อปลนปลื้อตัวเองตอบสนองความต้องการของตัวเองด้วยอำนาจความรักความใคร่แต่ถ้าเราเข้าใจถึงสังขารทั้งหลายได้แง่ของความเป็นจริงก็จะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้วยอำนาจของกิเลสครอบงาใจมากเกินไปก็กลายเป็นการมีปัญญารู้เท่าทันในระดับสินธรรมจันจา จนถึงก็ไม่ค่อยคว้าปรารถนาที่จะแบกขันเหล่านั้นเพราะจริงๆแล้วขันก็เราห้าขันเราก็ย่ำแย่แล้วจะไปแบกขันคนอื่นทีละห้าทีละห้ า, หามันเป็นภาระที่แบกแล้วก็เอาก็จริงก็เอาอะไรไปไม่ได้เป็นลักษณะของปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วไปใช้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีของอารมณ์ที่มาประสบ โปรซีนทั้งหลายก็คงมีอยู่อย่างที่มันมีอยู่เพราะเราไม่ไปแตะต้องอะไรไม่ไปทําอะไรเพียงแต่ว่าใจไม่เอื้อมไปกําหนัดขัดเครื่องรุ่มหลงหมัวเมาแต่ว่ามองในแง่ของความรู้เท่าทันทังความจริงตอนสกุลแลสมบัติเหล่านั้นนํามาใช้พิจารณาที่พระพุทธคุณคือพระคุณของพระพุทธเจา้า โดยเหตุาความเป็นพระพุทธคุณแต่ละบทนั่นที่จริงมันเป็นผลสูงสุดเป็นผลสรุปรวมของสิ่งที่เราเรียกว่าบารมีธรรมที่เก็บสะสมมาปลอมต่อนเนื่องกันมาอย่างนั้นเป็นผลของการใช้คุณธรรมหลักทั้งสาประการนั้นที่กล่าวแล้วคือสติสัมปชัญญะความเพียร คนคว้าแสวงหาวิถีทางที่จะปฏิบัติพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้นให้มีความสมบูรณ์ขึ้นภายในพระไตยของพระองค์จนมีความสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์วันเพลนที่ไม่มีเมฆหมอกมาบดบังเพราะอาการจิตเราเนี่ยจิตมันก็จิตทัวทั่วไปแต่อาศัยการฝึกปรือการอบรม การเพิ่มพูนสิ่งดีงามขึ้นไปโดยนั้นไอ้สิ่งที่ตรงนั้นข้ามก็ถูกลดลงไปสิ่งที่ดีก็เพิ่มขึ้น ม, มาในสุดก็เข้าถึงความสมบูรณ์ก็แสดงว่าเรากับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามันก็มาบนเส้นทางเดียวกันคือถูกบ้างปิดบ้างมีกิเลสน้อยบ้างมากบ้างเพียงแต่ว่าท้าพยายามลดในส่วนของกิเลส ส่วนของความชั่วลงไปพยายามเพิ่มส่วนของความดีถึงจุดหนึ่งก็จะไปสัมผัสผลในระดับใกล้เคียงกันแต่สมมติเราไม่มีอะไรเราคิดไม่ถึงขนาดนั้นคิดไม่ได้ขนาดนั้นเราเห็นคุณของพระญาตยใจของเรา และมีความรู้สึกเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสดามีศาสดาที่ผ่านการจัดรู้อนุตตรสมาสัมโพธิญามามีความมีสุดถูกต้องสมบูรณ์จริงๆมีปัญญาสมบูรณ์จริงๆมีความกรุณาสมบูรณ์จริงๆเราเกิดปิติประมุ่เพราะจริงๆประชากรหกพันล้านหกพันล้านคน เราเป็นหนึ่งในจำนวนไม่เท่าไรที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทีร่ระทึกและประคองชีวิตกายวะจาใจให้อยู่กับความดีให้อยู่ในคันลองของกุศลธรรมได้แลนนี่ปิติประโมทมันก็เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรกคความเป็นศาสนิกในพระพุทธศาสนา การที่เกิดมามีาศาสดาเป็นพระพุทธเจ้ามีพระธรรมที่เป็นสัจธรรมมีพระเรียสงเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจาำความสงบสืบต่อไป